ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธาชนทั้งหลายประสูรในวันนี้จะพูดถึงติดท ส, สูตรเป็นประสูรที่พระเจ้าทรงเล่าถึงเมื่อพระองค์ไปสนทนากับนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีข้อความโดยสรุปว่า นเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะ ว, วันภิกษุตั้งหลายก็ข้ามาุเฝ้าฟังธรรมไปตามปกติหรือตอนเย็นของแต่ละวันพระสงฆ์ั้งปวงที่อยู่ใกล้ๆก็จะมาเฝ้าพระเจ้าแล้วมาฟังธรรมเร่การเทศน์เนี่ยไม่แน่ หรืบาทีก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะเทศเรื่องนั้นบางทีก็มีพระถามปัญหาก็จะเทศเรื่องถามปัญหาบาทีในกลุ่มคนหรือว่าอาจจะเป็นปัจเจกชนในกลุ่มนั้นมีพื้นเพยตยาสัยที่จะรู้ธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะก็มมันตมกฏก็ทรงเอาคนนั้นแหละเป็นหลัก คนอื่นก็เรียกว่าโดยสารฟังไปคนอื่นคงไม่ถึงกบับบรรลุมรคผลแต่ว่าเพิ่มพูนความรู้ขึ้นก็เรียกว่าสร้างเป็นอุมนิสัยปัจจัยแต่บางครั้งก็เป็นอัธยาศัยขขงปรุงเองที่มีความประสงค์จะให้พระท่านทราบเรื่องนั้นนั้นตอนภารกิจเหล่านี้ก็หมุนวนกันอยู่ บางทีมึงก็ต่อนะเช่นอาจจะประลบอธิยศัยคนใดคนหนึ่งหรืออธิยศายของพระองค์แล้วพระเทพเสร็จก็มีคําถามที่ประลบเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่จริงในพระบา ล, ลีเนี่ยเดิมจริงๆไะ น, นะฮะชื่อประสูตรมันก็ไม่มีหรอกเป็นเรื่องพระตักรถาจารย์พระคันธรุจนาจารย์ที่ท่านทําสังขยาเนี่ย ท่าเอาเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นเองมาตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็เรียกชื่อเพราะเราจึงพบว่าพระสูตรบางพระสูตรมีชื่อมันต่างกันเช่นการลามาสูตรบ้าง น, นี้ก็เรียก ถ, ถึงชื่อของบุคคลบางทีก็เรียกชื่อชื่อของสถานที่บางทีก็เรียกชื่อตรงบุคคล แล้วก็สรุปว่าทําให้เรามองเนื้อหาของเรื่องเหล่า น, นั้นได้ว่าเรื่องเหล่า น, นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นวิธีที่ช่วยเสริมในด้านความจําเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็คงได้นะแต่เมื่อท่านเรียกมันก็เรียกแต่เข้าใจว่าเป็นการเรียกขึ้นในตอนหลังโดยพระคันธารัตนอาจารย์มีบางพระสูตรที่เรียกในตอนนั้น ก็มีพื่นกันนั่นนะฮะพวกธรรมจักพวกนี้ก็เรียกกันในตอนนั้นผู้เจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์เคยไปคุยกับพวกนักบวชนอกศาสนาก็ถามถึงความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญวิธีชีวิตของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเฉพาะที่เล่าในสุดนี้นะฮะเอาเฉพาะที่เล่าในสุรนี้มันก็มีสามสุดสาสามกลุ่ม คือแสดงว่ามีพระประสงค์จะเล่าเฉพาะสามกลุ่มเพราะอะไรเพราะบางทีนี่เยอะที่เล่าเนี่ฮะบางประสูทธ์เยอะเลืในประสูทธ์นี้ในกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยมันเกิดมาจากบุปผกรรมคือกรรมเก่าเรียว บ, บุปภะเหตุคือเหตุที่มีมาในกาลก่อน มันแสดงเห็นว่าคนกลุ่มนี้ยอมรับความมีอยู่ของสังสารวัตรมาความมีชาติก่อนๆมีชาติก่อนแล้วมีชาติคนก่อนแต่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปรากฏว่าถ้านมีอยู่ในชาติก่อนหมดเลยคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากชาติก่อนพระเจ้าก็ส่งตั้งปัญหาให้คิดนะฮะไม่ใช่ไปตาําหนิอะไรเขาหรอกทรงตั้งปัญหาหคิดเอา ว่าถ้าความเชื่อของท่านเช่นนั้นถูกต้องก็แสดงว่าการกระทำชั่วทั้งหลายและทรงยกเอาอากุศลกำหนดทั้งสิบอันนี้ท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าในพระสูตรทั้งหลายเราเจอเจอเรื่อยนะฮะหมายความพระสูตรว่ายังไงก็ามาก็ว่าอย่างนั้นนี่ยนะฮะแต่ท่านทั้งหลายจะรู้สึกยังทำไมซ้ําไม่ใช่พระพุทธเจ้าซ้ำนะฮะพระเจ้าตันเทศซ้ําไงนะเพราะว่า อกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นความชั่วสรุปมันหมดแล้วนะฮะความชั่วก็มีเท่านั้นแหละแยกออกแล้วก็มีสิบประเภทแต่นั่นเองกาะกลุ่มอยู่สิบประเภทแต่นั้นหรือการทาลายชีวิตกันชีวิตกี่ร้อยชีวิตก็ตามก็คือทาลายชีวิตก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเลวไหล โลภอยากได้ของคนอื่นพยาบามปองร้ายบุนคคลอื่นเห็นผิดจากํานองของธรรมมันจบแล้วนะฮะท่านเห็นว่าเป็นอาการของกิเลสครบสามกองเป็นบาปครบทางกายวาจาใจแล้วพวกนี้ถ้าเพิ่มความรุนแรงมันก็มีการกระทคาคำพูดที่รุนแรงถ้าถามมาแรงมายังไงมันก็แรงมาจากสามทางนี้ยพนจึงเจอบ่อยที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เทพกับคนทั่วไปนะกับชาวบ้านเนี่ยพุทเจ้าจะเทศตรงเนี้ยจะเน้นที่ที่ที่สี่ห้ากับกุบศลกบดอกุศลกบดเนี่ยพระทั่วไปกจ็จะเทศจะเทศกุศลกบดตัวนี้เป็นอ ก, กุศลกบดก่อนนะพูดถึงอ ก, กุศลกบดก่อนบอกว่าถ้าเราคิดอย่างเนี้ยถ้ า, าคิดอย่างนี้หมายความว่าผลความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความก้าวหน้าความล้มเหลวอะไรต่างๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นจาก บุปกรรมคนจะยอมจำนวนคือรอรอบุปกรรมไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ต่อสู้ไปดิ้นโดนอะไรเพราะงั้นไอแนวที่จะริเริ่มการกระทำเพื่อมดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันมันมันมันเป็นเรื่องของขอ ง, ของชาติก่อนการกระทำในปัจจุบันจึงทำหรือไม่ทำก็แสดงว่าไม่มีผลอะไร เพราะว่าผลมันเกิดขึ้นมาแรกก่อนตอนนั้นจะทำให้เกิดลัลที่ที่เรียกว่ายอมจำหนุนอะไรก็ยอนยอนให้บุปรกรรมหมดตัวเองก็จำหนุนอยู่กับทีไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นโดนไม่ขวนขวายที่จะละบาปบำเพ็ญบุญไอ้กิจที่ควรทำก็ไม่ทำแล้วเมื่อกิจที่ควรทำไม่ทำใจมันคนใจเรามันจะไหล ท่าหนหลายลองลอ ง, ลองสังเกตมาพยายามตั้งข้อสังเกตแม้ขณะนี้จะมีข่าววุ่นวายเนี่ยคือตั้งข้อสังเกตมรนา น, น่ย น, นะเวลาพูดถึงเรื่องข่าวไม่ดีของคนสนใจกันจริงกระโจนลงไปเลยแล้วคล้ายๆกับตัวเองมีส่วนรู้เห็นด้วยนะเคยอ้างกาลามาสูตรก็ไม่อ้างไม่อ้างอะไรแล้วเอาเลย เดี๋ยวพอพูดถึงความดีของคนไม่นะไม่ยอมนะโอ้ยไี่จริงหรอกพูดมากไปลอกลวงเขาบางทีก็ไปกล่าวหาอะไรเขาอีกนั่นคือคืออะไรคือมันสะท้อนสภาพจิตของมนุษย์ว่าจิตมันต่ำมากเวลามีภัยมีอันตรายเนี่ย วันซื่อเนี่ไปพูดที่สระบุรีตั้งปัญหาให้พระเขาก็คิดตอบรู้สึกจะเคยเล่าให้ให้ที่นี่ฟังคือทดลองตั้งปัญหาตัเนี้ถาม ห, หลายแห่งตอบก็ไม่ใครได้แปลกตั้งปัญหาว่าคนเดินมาห้าคนคนหนึ่งหกล้มคนหนึ่งวิ่งก็ไปช่วยคนหนึ่งหัวเราะคนหนึ่งด่าส่งเลยคนหนึ่งยืนดูเฉยในสี่คนเนี่ใครมีธรรมะ ตอบเสียงชนกด็ดูตลุดเหมดคือแสดงว่าไม่เข้าใจตรงกันนะฮะคือเรื่องธรรมะเนี่ยมันอยู่ในการศึกษาธรรมะการรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะใช้เมื่อไรฮะใช้เมื่อมือเหตุที่ต้องใช้เมื่อมืเหตุที่ต้องใช้เหมือนเรามีความรู้เราไม่ได้ใช้ความรู้ตลอด ไม่ได้ใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดแต่ว่าเรื่องใดควรจะใช้ความรู้เรื่องอะไรมันก็ใช้ได้เพราะเรามีให้ใช้แต่ก่อนจะใช้เราก็ต้องมีเสียก่อนปัญหาการใช้ธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในกรณีนี้ท่านจะเห็นว่าสี่คนเนี่ยคนที่วิ่งเข้าไปช่วยนะถูกต้องเฉพาะในกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะเฉพาะกรณีที่คนกําลังประสบความทุกข์ต้องเกิดกรุณาเกิดอย่างอื่นผิดหมด เกิุเบขาอย่างูเฉยๆนี่อุเบกขาจริงเป็นธรรมะเหมือนกันนะฮะแต่ผิดใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ในการตําหนิที่จริงเนี่ยบางครั้งนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ไม่ได้ครับไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าการพลาดพราดพลังการหกล้มเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งคนเราก็เป็นเกิดเกิดขึ้นกันได้เพราะงั้นเราก็ต้องใช้การุณาเรียกว่าใช้ธรรมะเป็น พอเราใช้ธรรมะไม่เป็นในเราร้อนและพอดีกิเลสนี่เราไหลาตามกระแสมันไปง่ายพอกิเลสแล้วมันมันมันมันก็เหมือนกับตกลงไปในกระแสน้ำมันไหลเลยแต่พอธรรมะนี่เราต้องทวนกระแสมันเหนื่อยมันต้องใช้ความพยายามมันต้องมีความมั่นคงไม่ ง, งั้นเราทวนกระแสไม่ได้พระพุทธเจ้ากล่าวโดยสรุปว่าอุกตเทศสุรมิชันติในภาวะวิกฤต ต้องการจิตที่กล้าหาญต้องการจิตที่เข้มแข็งเป็นการใช้ธรรมะกันตรงเนี้ยอย่างที่มาคือยกตัวตัวอย่างให้ฟังว่าเรารับศีลไปแล้วเลยไปเจอเงินใบละพันเต็มกระเป๋าเนี่ยจะเอาสีนหรือจะเอาเงินมันได้อย่างเดียวตอนนี้ถ้าเรามีศีลอยู่เนี่ยเราไม่เอาเงินหรอกเพราะสีนนี่มีค่ากว่าเงินเงินมันเป็นสมบัติโลกเดียวนะฮะ แล้วก็อาจจะติดคุกได้ด้วยแต่ว่าศีลนั้นเป็นสมบัติติดตัวมันใช้ได้หลายโลกหลายชาติคนมีปัญญาก็จะเลือกแต่ก็ไม่ใช่แน่เสมอไปนะฮะบางคนศีลไม่เอาแล้วเอาเงินดี ก, กว่าก็แล้วแต่แต่สรุปว่าเขาก็ไม่มีศีลในขณะนั้นสมาทานศีลไปไรต ะ, ะไรศีลไปแต่บดจะใช้ศีลปรากฏว่าศีลไม่มีใช้ก็หมายความว่าเขาไม่มีศีล ธรรมะปฏิบัติจึงใช้กันตอนนี้ว่าเมื่อมีเหตุต้องใช้เนี่ยใช้ได้แล้วก็ใช้ถูกถูกแก่กรณีนั้นๆที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอย่างน้อยก็ไม่กระโจนก็ไปทําบาปไม่เพิ่มบาปไปแก่ตัวเองทําใจมัธยัดเป็นกลางวางใจเป็นอุเบกขา สิ่งต่างๆก็เป็นไปตามกรรมกรรมสัโกมภิกรรมดาจะดตัวเนี้ยต้องต้องภาวนาแล้วเพื่อไม่ให้ใจมันแกว่งเพราะว่นแนวความคิดที่โยนอะไรให้ให้ดวงให้เคราะหให้อะไรมันก็แนวนี้นะฮะแนวแนวแนวแนวที่โยนให้กรรมเก่าเนะี่ยหมายความอาการริเริ่มจะทําความดีกรณีกิจคือกิจที่เราควรจะทําก็ไม่ได้ทํา เพราะไม่เห็นผลนี่คนเราจะทำก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องเห็นผลว่าทำอะไรทาไปเพื่ออะไรทำแล้วนี่จะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันอยู่กับชาติกอดหมดเลยในปัจจุบันเลยก็ไม่ใช้ความพยายามการพัฒนาความก้าวหน้านั้นต่ า, างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเป็นลัทธิยอมจำนนคนไปสยบกับความเชื่อเหล่านั้น ถามตรงนี้พุทธศาสนาว่าอย่างไงมาเอาตรงนี้แต่ก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอะไรโดยเฉพาะที่เคยพูดมานานแล้วเรื่องจุลละกามอวิภังกสูตหมายความผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยแต่ในในประสูนย์นั้นพระเจ้ายกยกตัวอย่างมาเกิดไปตกตายไปตกนรกบังเกิดในสวรรค์นะฮะไอการมาเกิดนรกสวรรค์เนี่ยมันมันมันมันมันจะพูดประกรรำโดยกำหนึ่งไม่ได้ คนเราอาจจะทําความดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยอดีตกรรมทึ่งๆทําไว้ในชาติก่อนมันตามมาให้ผลเป็นอกุศนกรรมก็ทําให้แกตกนรกได้และแกทําความดีในปัจจุบันใจแกเกิดขุนมัวเศร้าหมองก่อนดับจิตวูบเดียวใจท่ราหมองก็ตกนรกได้หรือวอคุศนกรรมที่แกทําอยู่นั่นเองมาให้ผลก็บังเกิดบนสวรรค์ได้ เพรนันไอ้กรรมเนี่ยมันจะมีอยู่สามช่วงใหญ่ๆช่วงอดีตอดีตกรรมหมายความมาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปนะฮะย้อนไปอดีตอดีตใกล้กับอดีตไกลอดีตไกลก็คือชาติก่อนๆอดีตใกล้ๆ ก, ก็คือชาตินี้แล้วก็เรียงลงมาแล้วปัจจุบันกรรมกรรมที่เกิดขึ้นในขณะในแต่ละขณะเนี่ยอโยมสังเกตว่ากรรมตรงนี้สัมพันธมากเราอาจจะทําความดีมาเยอะเลยวูบเผลอนิดเดียว อย่างที่กยกตัวอย่างเหมือนเราขับรถมันดีตั้งเจ็ดแดรอกิโลเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเลยเกิดงีบนิดเดียวตายนะเกิดอุบัติเหตุตายทันทีเลยเห็นไหมกรรปัจจุบั น, เ, นเป็นเรื่องต้องแผนมากกัรมปัจจุบันใครเป็นคนรับผิดชอบเราเราเป็นคนรับผิดชอบสติสัมมาจัญญะเนี่ยเป็นหลักที่จะคุ้มครองใจรักษาใจอย่าให้เกิดเผลอเลย อ, อย่าให้เกิดพลั้งพลาดขึ้น คติไทยที่ว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีผาดีไม่รอดโดยเรื่องนี้ต้องระมัดระวังหมายความว่าการกระทาความดีที่มีความต่อเนื่องเผือไพรขึ้นมาสักทีแล้วก็กอันตรายทีเดียวทำนองขับรถอย่างที่ว่านี่รานยาณปาณนาทั้งหลายแล้วภาพมันจะชัดมากประกาศเกิดการเผลอเรือเกิดการคลั่งพลาดขึ้นมาวูบเดียว ไม่ถึงนาทีนะทำความดีเป็นยี่สิสาสิบปีไม่ถึงนาทีเดีย ว, วนั่นเองเราคลาดเราก็แย่แล้วดังนั้นเอาก็จริงกรรมตามหลักอภิสสารนาเนี่ยอ ย, อยู่ที่เราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วความสุขความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่เราเมื่ออยู่ที่เราเนี่ยท่ามกลางความทุกข์เราก็หาความสุขได้ ทำความความสุขเราก็เพิ่มความสุขโดยไม่ประมาทได้เพราะว่าคนเราที่จริงแล้วเนี่ยบรรลุผลสูงสุดท่านหลายอาจจะลองสังเกต ด, ดูนะคนที่บรรลุผลสูงสุดมันได้จากความทุกข์นะฮะไม่ใช่ได้จากความสุขความสุขมันเหลืองความสุขมันเหลืองมันเพลินนี่ะมันติดมันก่อให้เกิดการสยบติดก็เรียกอัศธามีความยินดี แต่คนที่ประสบความทุกข์เนี่ยเขาจะดิน้นจะดิ้นเพื่อหลีกหนีความทุกข์แล้วในสุดเขาก็หนีสุดขีดนะมองความทุกข์เป็นกระบวนการเน่ยพระเจ้าท้อการหนีสุดขีดเลยปัดมูลเหตุคือคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดไปเลยความทุกข์เป็นเหตุให้คนวิ่งเข้าหาความสุขแล้วอยู่ความสุขแล้วคนจะเกิดอาการสยบติด ทำให้เราพบหลักว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดบนสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่มีบนสวรรค์นะนะไม่เกิดบนสวรรค์ไม่เกิดในพรมโลกเพราะพวกนั้นติดสุขหมดสอนอะไรไม่รู้เรื่องสอนอนิจจังอนิจจังอะไรอ่ะวันมันวันเดียวคืนเดียวของเขาตั้งร้อยปีเมืองมนุษย์อ่ะเฉพาะดาวปดึงเห็นะฮะไม่ก็ไม่เห็นอะไรมันเป็นอะไรดูไม่ได้ดูไม่เที่ยงก็ดูยากไม่เคยเห็นอะไร วันถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนตอนเรื่องใจรักเนี่ยมันก็เห็นยากแล้วแต่ไม่ว่าจะอนันนจังทุกฝังหน้าตาเห็นได้ยากแล้วคนนั้นก็ติดอยู่ที่ความสุขดูโทษของกาลมันก็ดูโทษอะไรอะ่ะเขก็เพลิดเพลิอพอนอยู่เป็นความสุขเป็นความสงบระดับหนึ่งของเขาเขาก็ติดคุณเต้เขามีอัตสาธะคือมีความยินดีพระพุทธเจ้าจึงไม่เกิด ไม่เกิดในสวรรค์นะครับพเจ้าไม่จัสรู้ในสวรรค์ในโพระมโลกแต่จัดสรู้ในโลกมนุษย์นะครับเท่านั้นอบายก็ไม่นะฮะอบายก็ไม่สวรรค์พระมโลกก็ไม่จะจัดสรู้เฉพาะโลกมนุษย์เพราะมนุษย์นี่พอดีฮะมีทุกข์พอที่จะพิจารณาได้อย่างทุกข์ในนรกมันมั น, ม, นมันปวดไม่ไหวเหมือนกันมันมันเมื่อเราเราเร า, เราทั้งหิวทั้งปวด ท้องทั้งทั้งหิวเข้าทั้งเกิดโรคแล้วก็ฟังพระเทศนั่งสมาธิไม่มีทางนึกด่าพระอยู่ในใจทําไปเมื่อไรจะเลิกสักทีงันไปไม่รอดเพราะว่าใจมันกนระสับกระส่ายไปด้วยกายมันกนระสับกระส่ายจเจริญธรรมไม่ได้ขาดสัปพายะมหาศาลโลกมนุษยที่เรียกว่าพอดีพอดีทุกไม่แรงเกินไปนะฮะความสุขความสบายก็ไม่มากเกินไป เว่าความคิดในแนวที่เรียกว่าบุปกรรมเนี่ยบุปผกรรมอย่างเดียวนะฮะไมป้ปุ๊บพวนี้ถือว่าบุพกรรมอย่างเดียวพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธบุปกรรมนะฮะแต่ว่าการถือบุปกรรมอย่างเดียวก็ผิดเพราะกรรมที่จริงมันมันมีตามการกระทําในแต่ละขณะแล้วปฏิบัติกรรมจะเป็นตัวใหญ่มากเป็นตัวปะทะเป็นตัวต้านทานเป็นตัวป้องกันกรรมบางอย่างได้ ให้ให้ผลชา้าลงหรือบางทียกเลิกไม่ต้องให้ผลก็ได้นะเช่นอาหัตธรรมิกของพระองค์ริมาเนมาตัดกรรมหมดได้เลยเพราะฉั้นกรรมกรรมปัจจุบันยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เราทำเองไม่ใช่คนอื่นดลบรนดาลประการที่สองนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้ามีพระอิศวรเป็นต้นนะ่ยนะฮะไอ้ น, นี่ก็แล้วแต่ ความเชื่ออำนาจอิทธิพลของสิ่งสูงสุดสมัยนั้นเขาก็เรียกว่าพระอิศวนนะฮะเฉพาะพระอิศวนเนียถ้าเรียกว่าอิศวนก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่พระผู้เป็นเจ้านั่นเองยงแต่แปลจำนวนปัจจุบนัน ค, ค, คือผู้เป็นเจ้านั่นเองหรือความสุขความทุกข์ความเสื่อมจากความเจริญเกิดขึ้นกับการดลบันดาลการประสิทธิปศาสตร์ของพระผู้เป็นเจ้า จึงมีลัทธิวิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับารขอศีลขอพรบวงสวงอ้อนวอนนะอย่างอินเดียเนี่ยศรีตารามศรีตารามเนี่ยก็บวงสวงอ้อนวอนพระรามรางศรีดาขอช่วยภาวนาเดินแะไระกภาวนาขออำนาจกันดนบันดาลความคิดนแนวนี้มันก็มันก็เป็นเช่นเดียวกันคือตกอยู่ในลทัทธิที่ยอมสยบ ต่ออำนาจของผู้เป็นเจ้ามนุษย์ก็ยอมตัวเป็นทาสของผู้เป็นเจ้าต้องประจบประแจงพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้านี่ดีอย่างเนี่ยนะมนุษย์ไม่โทษพระผู้เป็นเจ้าเลยเหมือนเทวดานะท่านไหนลองเราสังเกตคนไม่โทษเทวดาเลยเทวดาให้โทษก็กราบใหญ่เลยกราบกลัวเทวดายอมหมดเลยถ้าเทวดาว่ า, างไงยอมหมดน่าเอ็นดูมากมนุษย์นี่ คือยอมสยบเป็นลัทธิที่ยอมสยบกลัวต่อเทวดาเราทำทำไห้ดีเทวดาลงลงโทษหมายความพอถึงเทวดานี่เราเราจะไม่ต่อต้านเราจะไม่ต่อสู้กับเทวดาจะยอมสยบเพราะงั้นออจะเดือดร้อนจะประสบความทุกข์อะไรนี่พระเจ้าลองใจนะพระเจ้าลงโทษพระเจ้าทดสอบอะไรอะไรก็ว่าไปไม่โทษพระเจ้า ทำให้เกิดเป็นลักษณะการยอมสยบแบบเดียวก็ยอมสยบกับอดีตกรรมเทียงแต่ว่าตัวพระเจ้านั้นมีตัวตน น, นะฮะตัวตัวกรรมไม่มีตัวตนในความคิดนี้เหมือนกันคนเราจะหยุดการขวนขวายพยายามเพราะทำไปมันก็เท่านั้นมันอยู่ที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้มันเกิดลัทธิการรอคอยการยอมจำนนการจะต้องยอมสยบ เป็นพาดต้องอ้อนวอนต้องบวนหลวงต้องขอร้องแล้วเกิดเป็นกระบวนการนะฮะเป็นกระบวนการลูกช้างขึ้นมาลูกชางขึ้นมาก็เพื่อจะทําหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าให้ไอ้พวกนี้เลยนั่งกินสบายเลยมนุษย์ก็เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นทำให้คนขาดการขวนขวายช่วยตัวเอง ทั่งเราจะเห็นว่าในศาสนาคริสต์พระเยซูเองได้ก็เตือนไว้นะเธอจงช่วยตัวของเธอก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยเธอก็เตือนสติไว้ว่าแม้จะความความเชื่ออย่างนี้จริงๆเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามตัวเองเพราอถ้าไปไปยอมจำนนกับพระผู้เป็นเจ้าอำนา จ, จสิส่งศักดิ์ธิ์แต่ว่า คนเราเป็นอย่างนั้นคนอ่อนแอนะฮะคนนี้จะอ่อนแอมากจะมีลักษณะเกาะยิงบวงสูงอ้อนวอนการดนบันดาลการประสิทธิ์ประสัดเพราะว่าความเพียรพยายามนั้นมันเหนื่อยอย่างที่บอกกิเลสเนี่มันไหลเราอยากได้เยอะอยากได้นั้นได้นี้ได้นนท์แต่ว่ามันเหนื่อยนะ่ะถ้าใช้ความพยายามมันก็เหนื่อยก็เลยบวงสูงอ้อนวอนเลยโอ้ก็ขอ สมมติว่าขอได้นะสมมุติว่าขอได้จริงๆโลกมันจะอยู่ได้หรือเปล่าโลกของวุ่นวายนะฮะโลกขงวุ่นวาโลกของอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาขอได้เนี่ยทุกคนจะขอทำความพอใจตัวเองมันขอเป็นกลายเป็นของเล่นฮนะกลายเป็นของเล่นไปหมายความว่าเอา้าเธอขอมาเท่านั้น เราถ้าขอเท่ากันเนี่ยไม่แน่จริงต้องขอได้มากป่าเพื่อคมคว่าอื่นอาจจะแข่งสูงแข่งใหญ่แข็งมากที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าแม้ฝนจะตกลงเป็นกระหาปะนะเป็นเงินเป็นทองนะฮะอริษฐานใ้ฝนตกลงเป็นเงินเป็นทองได้ใจคนมันก็ไม่เต็มนะเราจะเห็นภาพว่าถ้าเป็นยังงั้นในสุดมันก็อริษฐานขอร้องกันแล้วก็ เทวดาพระเจ้าอะไรก็ประสิทธิประสาทลงมาเต็มเต็มไปหมดเลยก็ท่วมตายนะฮะคนก็คงตายกันหมดในโลกนี้ความคิดแน่นี้จึงจำนวนเหมือนกันทำให้การริเริ่มที่จะงดเว้นความชั่วทรงยกเหมือนเดิมนะฮะยกยกอากุศต์ลำบ่อยกำหนดสิบประการขึ้นมาอีก บอกถ้าถ้าคิดอย่างนั้นก็ก็หมายความอาการที่มนุษย์ฆ่าสัตว์ลักท ร, รัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลโลภอยากได้คนอื่นพยาบาทฟ้องร้ายบุคคลอื่นเชอบเห็นเว้นผิดจากธรรมของธรรมก็เพราะพระเจ้าพระเจ้าบรรดาเพอตรงนี้ถ้าเราไปเชื่อตรงนั้นแล้วพระเจ้ามีปัญหาละเพราะความทุกข์มันซึมเนื่องมาจากตรงนี้ซึมเนื่องมาจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกรมเป็นต้นเนี่ยนะครับ ก็แสดงว่าพระเจ้าให้โทษแก่มนุษย์เองแต่ทีนี้ถ้าถ้าเรามองจุดที่ใกล้นะมองจุดที่ใกล้เพราะผลเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิด ข, ขึ้นมาจากพระเจ้าจริงหรือวันก่อนในถามเด็กคนุกวันแะโตวันก่อนเจอแกม ฟ, ฟังเทศตั้งแต่เทศที่โบสถ์นนะจะเล่าไปเดียนหนังสือ นะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ให้อาหารนเนี่ยเกินั่งคุยกับแกก็ถามถามให้คิดดูสิว่าใครหุงข้าวไครหุงข้าวใครตักข้าวให้หนูแม่ใครหุงข้าวแม่ใครซื้อกาสารมาแม่แม่ไปซื้อมาจากไหนร้านค้าร้านค้ามจากจากไหนก็ถามไม่ติดที่นานลยไม่ติดที่นาแล้วถามพระเจ้ามาอยู่ตรงไหนพระเจ้ามาให้อาหารหนูตรงไหน ก็ไม่รู้แต so so ่แกไม่รู้ก็สอนมาอย่างนั้นนะก็สอนมาอย่างนั้นเราก็ถามไปแกก็ตอบไปถึงชาวนาได้นะเด็กเด็กรู้สึกจะสักปอสามหรือปออะไรเนี่ยนะยังเล็กๆกัานังคุยกันเด็กแกก็ตอบไปได้แล้วพลนพ้นทาแกคิดงงๆว่าตกลงพระเจ้าจริงๆคือใครคือแม่พระเจ้าจริงคือแม่แต่นั่นเองมันติดอยู่แค่แม่แต่นั้นเองเพราะเป็นผู้ให้ชีวิตนะฮะพระเจ้าแม่พระเจ้าพ่อนั่นแหละคือพระเจ้าจริงๆ นี่คือคือความเชื่อที่ที่พิสูจน์ได้แล้วก็ผลที่เป็นความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเราก็ไม่ต้องรอคอยใครเราไม่ต้องการผลที่เป็นความทุกข์เราก็งดเว้นเหตุอย่างในที่เนี้ยพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างอังกุศลกัมบด10เราต้องการความสุขเราก็สร้างเหตุคืองด่าคือคือปฏิบัติตามหลักองกุศลกํม บ, บทสิ พวกนี้ท่านตั้งหลายเห็นว่าแนวเทวนิยมนะแนวเขาเรียกว่าแนวบุปภัยเหตุแนวอิสระเหตุคือเหตุมามาจากบุปกรรมเหตุมาจากพระอิศวรเหตุมาจากจากพระอิศวรพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นความคิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุ หมายความว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นไม่ได้เกิดมาจากเหตุพวกนี้อันตรายนะอันตรายมากอันตรายกว่าสองประเภทแรกมันจะปฏิเสธหมดปฏิเสธเหตุทั้งหมดหมายความว่าไม่อาไม่ยอมเชื่อมโยงผลกับเหตุหรือเชื่อมโยงเหตุกับผลเวลาผลมางเกิดขึ้นแกก็ไม่ยอมรับในส่วนเหตุเพราะอาจจะเกิดซ้ำๆๆๆเช่นว่า ถูกจับกุ้มกลุ้มขังลงโทษผมไม่ผิดทุกทีเลยติดคุกมาไม่รูกี่ครั้งแล้วผมไม่ผิดทุกทีเลยไม่มีความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรความคิดแนวนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นมิจฉาทิฐิที่แรงและนี่ก็คือคืออะไรคือคืออเหตุทุกะทิฐิแปลว่าหาเหตุไม่ได้หรือไม่มีเหตุ ผลเป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามนะฮะหรือไม่สุขไม่สุขก็ตามจ่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยเขาถือไม่มีเหตุอะไรถ้าไม่มีเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงปฏิเสธบุญไม่เสธบาปด้วยนะครแต่ว่ามันมั น, ม, นมันที่ขำว่าการถ่ายทอดความเชื่อเหล่าเนี่ยมันถ่ายทอดกันมาได้เป็นพันพันปีนะฮะเป็นพันพันปีไม่มีใครอะไรที่จะหยุดคิดอะไรเลย แล้วก็มีคนเชื่อถือมีคนปฏิบัติตามความคิดแนวนี้มาตั้งแต่ก่อนระไมพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดนั้นแสดงให้เห็นด้ว่าคนไม่ได้มองในเรื่องทั้งหมดให้มันเห็นเป็นความต่อเนื่องกันก็อุปมาว่าคือถ้าบุญบาปมีล่ะ ก็ว่าถ้าบุญบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปด้วยไปนน่นเลยนะเราจะเห็นว่าผู้คนละเรื่องแลมันผู้คนละเรื่องไปเลยอุปมาเนี่ยชอบอุปมานะฮะชอบอุปมามากว่าถ้าบุญบาปมีก็แสดงว่าฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปด้วยถ้าบุญมีแสดงว่าฝนตกลงตามต้นไม้ฝนก็ได้บุญด้วยมันคนละเรื่องเลย คือบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจะเจตนาต้องมีจิตนะฮะต้องมีจิตมีเจตนา เ, เจตนาเป็นกรรมเจตนาัางพิเกเว ก, วา ม, ากวมังวดามิรุก่อนวิสุูต่างหลายเ ร, รากระเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมอันั้นมันเป็นกิริยาเฉยเฉยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันจะเป็นบุญเป็นบาปได้ยังไงแต่ว่าเป็นความเสือ่อมเป็นความเจริญ นายเห็นไหมเป็นความเสื่อมความเจริญได้ผลตกมารดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็มีความทุ่มชื้นมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะฟ้าผ่าต้นไม้มันก็ทําลายให้กิ่งไม้หักโค่นไปได้มันเป็นความเสื่อมความเจริญได้มันผลเ ป, นเป็นผลของกิริยาเลยเหมือนกับแผ่นดินไหวนะฮะปาบแย่แล้วแผ่นดินไหวที่แอนเดคนตายเยอะแต่มันกิริยามันสร้างความเสื่อมได้สร้างความเจริญได้ เมือ่อเขาไฟไหม้ที่ออสเตรเลียปรากฏว่าเวลานี้มีพืชงอกขึ้นเยอะเลยเขาตื่นเต้นก็บอกแหมไฟไหม้ครั้งนี้ดีจริงมันปรับดุลของธรรมชาติได้ก็พยายามจะหาประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นโทษนะฮะอันนั้นมันมันไม่ได้บาปไฟก็ไม่ได้บาปแล้วพอเกิดพืชดีงามขึ้นมามันก็ไม่ได้บุญมันมันมันเป็นกิริยาแต่มีผลในการสร้างการทำลายนะเรือ่องเรื่องพวกกิริยาทั้งหลาย ดังนั้นเราเราจะเห็นว่าการกระทําของพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปแต่เป็นกิริยาเป็นกิริยาก็มีผลในการสร้างเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกุตระพระไทยท่านท่านทาน่ทานประกอบด้วยความบริสุทธิ์จึงจึงจึ ง, จงไม่ออกมาในรูปของการทําลายแต่ทําทลายก็ทําลายความชั่วนะฮะทําลายกิเลสแต่ไม่จะทําลายสิ่งมีชีวิต ว่าแนวความคิดในในในในเชิงปฏิเสธปฏิเสธตั้งเหตุทั้งผลตรงนี้ปฏิเสธตั้งเหตุทั้งผลว่าไม่ได้มีเหตุอะไรบุญบาปเขาโอม่ า, มายังไงนะก็บอกมันบังเอิญมันบังเอิญเหมือนคนกินหมากหรือแสดงคนกินหมากนี่กินมาตั้งแต่สมัยอุตการนะนะก็อุปมากินหมากเขาบอกเหมือนคนเคี้ยวหมากมันไม่มีอะไรแดงปูนแขกในปูนขาวขาวนะขุนแขกเนี่ยก็มีอะไรใส่ด้วย แต่ไม่มีอะไรสีแดงนะทีนี้ไปเขียวไปเขี้ยวมาน้ําหมามันก็แดงเองก็วะน้ำหามาก็แดงเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญพอบังเอิญเราเลยก็ไม่ขวนขวายเลยมันมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดเลยความคิดความอ่านที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในดําเนินไปในทางที่ชอบที่ควรก็ไม่ได้คิดอะมน เ, นเรื่องบังเอิญหมดเนี่ย ก็จะเหมือนเดิมหมายความว่าทั้งสามอย่างนี้จะหยุดทําความดีทั้งนั้นเองแต่ทีนี้ทัดเทียบว่าไอ้ระหว่างความเห็นไม่ดีสองอย่างสามอย่างอะไรไม่ดีกว่าท่านจะเห็นว่าประเภทแรกนี่ไม่ดีมากกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ประเภทที่สามนะประเภทที่สามอหิทุกัทิฏฐิเนี่ยแย่มากกว่าเพื่อนประเภทแรกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแกก็นึกถึงกรรม มันเชื่อมโยงกับแกแต่พอดีประโยน์กรรมในอดีตอะไนั้นเองส่วนประเภทที่สองอย่างน้อยเนี่ยแกก็ทําความดีได้นะเอาใจพระเจ้าประจบประแจงพระเจ้าอ้ อ, อนวอนพระเจ้าก็คงจะมีทําความดีอยู่บ้างเลยฮะอย่างน้อยที่สุดที่มันไม่ถึงกับติดติดอยู่กับที่อย่างแนวนี้แนวปฏิเสธผลปิเสธมันมันจะทําให้คนติดอยู่กับที่ไม่ขวนขวายไม่ดิน้นรนไม่พยายามอะไรหรือว่าเรื่องบังเองิญ ทำไปก็เท่านั้นมันไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จะทำทำไมจึงกลายเป็นความคิดที่อันตรายที่เราเคยเจออยู่เสมอในอะไรอ่ะปัญญากสูตรที่เคยพูดมาแล้วเราเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ครอบงำจิตใจคนอยู่ทั่วโลกเวลานี้ก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าครบสิบข้อหรือไม่นั้นเอง การปฏิเสธเรื่องทานการบูชาการพิธีกรรมว่าไม่ให้ผลอะไรเ็นไม่ปฏิเสธเหตุว่าไม่ไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ได้มีผลอะไรพวกนี้เหตุนะฮะหมายความว่าการให้ทานการบูชาพิธีกรรมต่างๆนั้นไม่อำหนวยผลให้เป็นการปฏิเสธว่าพวกนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลดีงามอะไรเลยก็ไม่ทำเลยฮะ เระปฏิเสธเหตุเนี่ยแล้วก็ถือว่ามันดาบิดาไม่มีคุณอันนี้น่ากลัวแม่อ่านข่าวเรื่องเขาเด็กไปใส่ถุงพลาสติกโยนแถววังน้อย3ามสิบระสบไปมาด้วยเวรกรรมจังหลายคนอย่างนี้ทำไมมันรุนแรงไ้เกิดไม่ด้รู้สึกคนกว่าบาปกว่ากรรมน้อยกันจังนั่นเป็นไงไปน่ากลัวนะะเราจะเห็นว่า ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ทำให้ยากต่อการสอนเด็กการอบรมการชี้แจงเด็กเนี่ย ม, ม, มันเวลานี้ที่วันก่อนไปประรกไปประชุมไปที่หอสมุดแห่งชาติ2องวันคิดจะตั้งโรงเรียนธรรมาธิปไตยนะมีหม่อมหลวงปินมาลากุลท่านเป็นประธานคือมันนึกไม่ออกมันมันมันไปยากมากเลย เราทําเป็นแค่ๆ แ, แปลงสาธิตตัวอย่างไม่มากนักในคงจะได้แต่ขยายผลนี่ยากเพราะสภาพแวดล้อมสังคมนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วลูกของเราไม่รู้ใครสอนลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนน้องก็พ่อแม่ปุยยาทายายวงศ์สากนายาเขาสอน ต่อมาก็ไปไปอยู่กับครูกับอาจารย์ครูอาจารย์ก็สอนเวนี่วิดีโอมั่งเกมกดมั่งอะไรอะไรสอนอวิทยุหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสิ่งที่เป็นสื่อสื่อเนี่ยมันเป็นกลุ่มของผลประโยชน์เป็นกลุ่มธุรกิจของการใช้สื่อทั้งหลาย มีการลงทุนเพื่อหวังผลกําไรแต่มาจึงให้ข้อสังเกตในที่ประชุมว่าคือเรากลัวสังคมยุคต่อไปเนี่ยนักธุรกิจใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชี้นำความคิดสังคมแต่เขาไม่ออกมาชี้นำตรงหรอกเขาจะอยู่เบื้องหลังโพวตสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราเห็นว่า เออชอปอนเซอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเอาอะไรมารายการจะต้องเป็นยังไงนะเขาจะมองว่าสามารถจะเรียกลูกค้ากลุ่มไหนได้นะฮะคือเขาต้องมองผลที่เป็นกำไรย้อนกลับมาหาเขาแล้วพวกคนนี้ที่จริงความรอบรู้ความรับผิดชอบในศีลธรรมอันดีของสังคมเนี่ยมันมันมีไม่ค่อยมากเท่าไรหร่หรอกพอคนนึกถึงตัวเองนึกถึงความมัง่งคั่งส่วนตัวนี่มาก แล้วในสุดแต่คนเราเนี้ยเข้ามาสอนลูกหลานเราถึงในบ้านในช่องมาสอนในห้องมาสอนจากอะไรต่ออะไรเวลาดาวเทียมเกิดขึ้นมากๆแล้วมันก็ปล่อยลงมาไม่ได้กัก ร, รองอะไรคงตุ้งเป็นจังมันรับได้ทันทีนะฮะรับได้ทันทีที่เราดูข่าวต่างประเทศที่เราดูในสมัยก่อนนะเขาต้องเอาลงมาตัดก่อนมาตรวจสอบมาตัดเปร์เซ็นเซอร์ก่อนภาพนี้ควรจะเผยแพรห่หรือไม่ควรเผยแพร่ แย่างเวลาที่เราจะเห็นนะครเห็นศพคนถูกฆาตกรรมคนตายศพอลึงจึงเอามาออกตัวธาตุได้ทั้งหมดนมันออกไม่ได้นะฮะทีจริงโดยหลักกฎหมายแล้วออกไม่ได้เว้นี้ก็ออกกันได้นะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เกิดแรงต่อต้านเวลาเราพูดเรื่องศีลเรื่องธรามเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมมตุติว่าอธิบายเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสภาพสังคมมันไม่ได้เหมือนก่อนนะหรืยิ่งอธิบายปู่ย่าตายายยิ่งไปใหญ่เลย นานๆนพบกันกับหลานทีนึ่งมันผิดกับเมื่อก่อนเด็กมันสัมผัสมากพูดง่ายไม่ต้องไปสอนอะไรมากต่อไปไมันจะยากนะสังคมเรามันเกิดเริ่มเริ่มเริ่มแตกเริ่มแยกครอบครัวออกไปและโอกาสจะติดต่อการก็ยากแต่ให้สัมผัสสัมผัสที่มันมันมันมีความต่อเนื่องเนี่ย ลูกหลานวิ่งเต้นบนตักเมืปู่ย่าตายายเนี่ยเมื่อก่อนมันมันมันมันพูดง่ายแต่ต่อไปมันจะพูดยากยิงภาพข่าวอย่างนี้ออกมาด้วยโล้มันยุ่งน่ะเด็กรับเรามันก็ยุ่งกันเนี้ยมันมันเอ่อเกิดความขัดแย้งเอเขาว่าอย่างนั้นแล้วทำไมก็เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมีข่าวก็ว่าอย่างนั้นมันมีข่าวซ่อนซ่อนอยู่หลายๆข่าว พวกแนวปฏิเสธคุณพ่อคุณแ ม, ม่มันก็มันก็มีมีมีข้อมูลนะเอาไปพูดได้นะฮะพ่อมันมีคุณแม่มีคุณมาเอาส่วนไม่ดีเข้าไปพูดใหเราใช้ข่าวด้วยเมื่อก่อนข่าวมันไม่ได้ออกไปเร็วอย่างงั้นสื่อสารมวลชนก็ไม่ได้มีอย่างสมัยนี้สื่อสารมวลชนเองเดี๋ยวนี้มาเป็นธุรกิจเป็นพวกบริษัทมหาชนแล้วมันต้องการจะได้เงินได้ทองต้องการทํายอดต้องการแข่งกัน แล้วข่าวเองก็ไม่เดียวกันการกรองอะไรมันมันมนแข่งกับเวลานะครับเลย ก, ก็ก็คงจะมีปัญหาอะไรน่าดูเหมือนกันปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าโรคนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีก็คือปฏิเสธผลบุญผลบาปเพราะผลบุญผลบาปเนี่ยถ้าเราเชื่อเนี่ยมันจะช่วยคุมตัวเราให้เรารับผิดชอบชีวิตในชาตินี้ในชาติหน้ า, ใ น, า, นาในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปเราเห็นว่า ก, กรรมนท่านจะเรียงไว้สาสามชาติ ให้ผลในปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปแลือให้ผลในพบพกต่อต่อไปกรรมจึงมีอยู่สามระดับทีนี้พอเราปฏิเสธปฏิเสธอย่างสองข้อแรกนะฮะเราจะเห็นว่าปฏิเสธว่ามาจากเราปฏิเสธว่าเหตุไม่ได้มาจากเราแต่มาจากอุปกรรมกับมาจากพระผู้เป็นเจ้าตัวนี้ก็จะหยุดความพยายาม โพที่สปฏิเสธแต่วโพธิ์ที่สามปฏิเสธเลยอันนี้อั น, อนตรายจนถึงกปฏิเสธว่าการทําดีทําชั่วไม่มีผลสภาพจิตที่ไหลแล้วก็ถูกกระแสสังคมที่บีบให้ไหลเนี่ยนะคั้งหลายลองลอ ง, ลองมาเกดูกวความรุนแรงต่างๆในช่วงตรงนี้อย่างอย่างที่เกิอดอุบัติเหตุแถวไรบุรีรามก่อนเวลาคนขับรถเนี่ยมันขนองขอร้องให้เออครับ จะซาหน่อยก็ไม่ยอมหัวเราะกึกกักกกกสนุกแ ล, ล้วคทตายคนตายกันั้งเยอะเลยยี่บกว่าคนนั้นแสดงว่าความสนึกรับผิดชอบในภารากิจตรงนี้มันมันมันก็มีปัญหาที่ว่าเราจะแก้กันยังไงเอามาเคยไปอบรมพวกสิบลอ้อเราลองสอบถามกพรู้ดีความรู้ไม่สูงนะแล้วมีปัญหาในครอบครัวที่ยิงเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทนะ หมื่นกว่า บ, บาทแล้วก็มีอะไรเรียกเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเชี่ยวอีกแต่ก็ต้องทำเวลาแข่งบางทีสินค้ามีการเน่าเสียก็ต้องเอาแข่งแล้วก็ต้องเอาจำนวนมากแข่งกับเวลาเพื่อทำเงินให้ได้มากอะไร น, นี่มันมันมันปัญหามันเยอะเพราะงั้นไอ้แนวความคิดที่ไม่เชื่อบาปขุนเนี่ย บางทีนี่มันมีเงื่อนไขให้คิดได้นะฮะเพราะว่าเวลาการนําเสนอสมัครคนกลุ่มนี้อย่างีนยกตัวอย่างเนี่ยฟาดค้าผ่าต้นไม้ฟาก็บาปดตัวอนอกเรื่องไปเลยแล้วคนก็บางคนเชื่อไปได้นะความเชื่อเหล่านี้แสดงว่ามีคนเชื่อไ ม, ไม่ไม่เชื่อมันถ่ายทอดมาได้ ถ, ถ่ายทอดไม่ได้เป็นพันๆปีอุปมาพวกพวกพวกนักศึกษานั ก, ก, น ก, กประยาวิเนี่ยก็ยังเอามาอ้างกัน กี่พันปีมัแล้วพังก่อนพระหมายพุทธเจ้าอีกก็เชื่อกันมาอย่างงี้ถ่ายทอดกันมาได้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธุลบุญผลบาปแล้วก็ปฏิเสธถึงชีวิตหลังตายเขาเรียกว่าคนตายแล้วเกิดไม่มีนะฮะถือว่าตายแล้วเกิดไม่มีก็หมายความปฏิเสธสังสารวัฏ แล้วปฏิเสธท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนคนอื่นให้รู้ตามเช่นพุทธเจ้าเนี่ยมความปริเสธคุณพระพเจ้ามันก็ล้มละลายเลยเป็นชีวิตที่ที่ล้มละลายความเห็นทั้งสาประการนี้เราจะเห็นว่าประเกิดประการที่3ามนี่อันตรายมากที่สุดประการที่หนึ่งอันตรายรองลงมาประการที่สองไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันยังยังมีที่ยึดเหนี่ยวอย่างน้อยก็พระเป็นเจ้า เขาต้องการประจบประแจงเราผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าทำยังไงพระผู้เป็นเจ้าชอบใจเขาก็ทำก็มีความดีที่ที่ช่วยเขาได้รับความสุขอยู่ได้ตรงนี้แนวพระพุทธศาสนาท่านท่านสอนว่ายังไงสอนโดยภาพรวมก็คือว่าสิ่งตั้งหลายนะเกิดจากเหตุอันนี้คือหลักง่ายๆเลยนะว่าสิ่งท้งหลายเกิดจากเหตุ ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถ า, าคตเจ้าทรงแสดงเหตุแย่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้นี่น น, นี่พูดโครงสร้างใหญ่นะฮะโครงสร้างแม่บทเลยหมายความจะมีทั้งการเกิดการดับทีนี้เหตุเนี่ยมันจะให้เกิดผลสองทางเหตุ ด, ดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีถ้านองปลูกพืชอย่างอย่างอย่างนี้คิดง่ายๆนะ ปัญหาสำคัญว่าเมื่อเราไม่ต้องการผลอะไรเนี่ยเราก็ไปดับที่เหตุกันคือไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าเราต้องการผลอะไรเราก็ไปสร้างเหตุแล้วผลนั้นก็เกิดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าแนวปหานภาวนาแนวละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตได้ผ่องใสแนวละชั่วพุดดนะีนั่นคือแนวดับเหตุที่เราไม่ต้องการตัวทุกข์ที่เราไม่ต้องการเราก็ ความทุกข์มันสืบเนื่องมาจากกิเลสพระเจ้าก็สอนให้ลดกิเลสเป็นลดที่ทุกข์มันไม่ได้นะเป็นทุกข์มันเป็นผลเหมือนเราต้องการจะลดความร้อนเนีย่ยราลดที่ตัวไฟนะไปลดที่ตัวความร้อ น, มนไม่ได้ลดที่ตัวไฟไฟมันลดความร้อนมันก็ลดเองไนะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ร้อน นั่งนั่งพิจารณาดูก็ได้ในหุงข้าวเจียวไข่ทอดปลานี่ที่จึงพิจารณาเป็นธรรมะได้จะไหม้หรือไม่ไหม้มันก็อยู่ที่ว่าไฟมันร้อนไฟร้อนไฟแรงไฟสุกหรือไม่สุกมันก็ดูที่ไฟเนี่ยอาจาเห็นปะมันก็นึกดูกว่าไฟนั้ก็เหมือนกิเลสถ้าแรงนะมันจะไหม้ไปเลยกินไม่ได้แต่ถ้าพอดีอดระดับโลก ม, ม, ม, มันที่จึงมีกิเลสทางนั้นเนี่ยนะฮะระดับโลกมีกิเลสทางนั้นนี่ย เพียงแต่ว่าอยู่ในจุดคุมได้ปัญหาใหญ่มาอยู่ในจุดที่คุมมันได้เพราะว่าระดับหมดกิเลสมระดับนิพพานมันคนระดับกันอย่างน้อยถึงสอนในรูปของการคุมท่านเห็น ว, ว่าสอนระดับศีลเป็นการสอนให้คุมไม่ใช่หมดกิเลสนะฮนะสมาธิก็ไม่หมดกิเลสหรอกเป็นการสยบเป็นการสงบกิเลสไว้ช่วงที่มันญาวขึ้นมีความเร่าร้อนภายในใจเนี่ยก็ลดลง แต่ว่าต้องทําบ่อยๆทีนี้ในแนวที่ต้องการสร้างสุขนิโรธเป็นผลนะเราจะเห็นว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตรรมโคาจาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมหาสมนะมีปกติ จ, จากนี้การดับนะก็คือดับกิเลสแต่ว่ากิเลสนี่ให้เราสังเกตว่าเวลาพระเจ้ารักสั่งพระเจ้าพูดดับทุกข์นะพูดดับกิเลสทําไมอ่ะกิเลสฟังไม่รู้เรื่อง มีเพื่อนรุ่นน้ององค์หนึ่งอมายังคขำแกเป็นวิทยาลัยเจ็ประโยคน์นะนั่งคุยธรรมะกันคุยกันไปคุยกันมาแกบอกใต้นุงพี่ดิผมนึกว่าไอ้กิเลสนี่คือสเลสเนี่ยเฮ้ยยังขำแกยังนึกว่าเป็นสเลสอ่ะไอ้กิเลสเนี่ยแกวันึกว่าเป็นสเลสเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่ทุกเนี่ยคนไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าทุกข์นิโรธนะฮะพระพุทธเจ้าจไม่เรียกว่าทุกขกันสมุทยัย ไม่ได้ว่าสมุทัยนิโรธไม่ไม่ได้พูดว่า ด, picking, well. trabalho, ah. ดับสมุทัยเพื่อบอกพระพุทธเจ้าบอกดับทุกจริงไม่ม well. ันจะดับทุกอะดับสมุทัยนั่นคือใช้ในภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเฉยๆความทุกข์มันเป็นผลมาจากสมุทัยเวลาพูดเราจะเห็นว่าทุกขษัตริย์ทุกสมุทัยทุกนิโรธทุกนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเห็นไหมภาษาที่ใช้ปรากฏเราใช้ดับทุกไม่ไม่ได้ดับกิเลสแต่ภาพปฏิวัติดับดับกิเลสไม่ใช่ดับทุกอะ พระพกิเลตดับทุกมันก็ดับนะฮะเหมือนไฟดับความร้อนมันก็ดับความร้อนมันเป็นผลมาจากไฟตัวเองดับไฟความร้อนก็ดั บ, ดนดบแนวที่ทรงสอนในแนวในแนวกุศลธรรมทั้งหลายนะฮะวันก่อนนี่ก็ที่ไปประชุมเรื่องนี้การก็ถูกตกเฉียงประเด็นนี้กันอยู่ประสมควรเมื่อกี้นั่นนะจะหมายความว่ามีการเสนอ ผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะเสนอศรัท ธ, ธาให้ปลูกฝังศรัท ธ, ธาแก่ดเด็กบางคนบอกปลูกฝังเมตตาบางคนปลูกฝังหิริอตรัตตาเราพูดกันเยอะก็มีท่านผู้หญิงอะไรก็ขอบอกข อ, ขอท่านเจ้าคุณช่วยอธิบายหน่อยอ า, าก็เลยบอกอย่าไปติดใจธรรมะอย่าที่ใจชื่อธรรมะธรรมะนี่มั น, ม, นมันก็คือธรรมะขอเพียงเขาเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวหรอกเรียกชื่ออะไรก็ได้ แล้วจะดึงพวกเราอื่นเกิดขึ้นมาได้เองเดายกตัวอย่างให้เขาสังเกตว่าธรรมะระดับโลกเนี่ยหมายความว่ามีเท่านั้นก็พอแล้วฮิริโอต ป, ปะเป็นธร ร, รมะคุ้มครองโลกจบแล้วสองข้อพอแล้วนะะถึงนิพานเลยแต่เวลาเขาเกิดเขาไม่ได้เกิดคนเดียวหรอกเขาไม่ได้เกิดคนเดียวคล้ายๆกับเราหยิบของเนี่ยเราเราหยิบของคล้ายๆกับมือหยิบอย่างเดียวเปล่าหยิบอย่างเดียวได้ที่ไหนตาต้องดูด้วย ตาต้องรู้ด้วยเท้าต้องขยับด้วยกล้ามเนื้อส่วนอื่นต้องทํางานด้วยแต่ ว, ว่ามือทํางานหนักกว่าเพื่อนนั่นเองตอนนั้นนะ่นนะตอนนั้นนะั่นตัวอื่นก็ต้องช่วยนะตัวอื่นต้องช่วยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของการในกันเมตตาเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเห็นไหมฮะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไอ้พวกโลกแล้วพอแล้วข้อเดียว มายควเขาจะดึงข้ออื่นขึ้นมาเองเขาเป็นเป็นพวกกันนะฮะเป็นพวกกันมันดูแล้วก็แค่ก็บอกกินข้าวนะเรากินข้าวเรากินข้าวอย่างเดียวหรือเปล่ามันมันมันปล่ากินหมากก็ไม่ได้กินหมากอย่างเดียวกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวมันจะดึงเรื่องเราอื่นขึ้นมาเองเป็นอันรู้กัน พอออกมาก็ปรากฏว่าท่านประหลัด ก, กระทวงกรรองประหลัดข้อออกมาส่งธิดาออามาก็เลยไปอธิบายต่ออีกเที่ยวหนึ่งบอกบอกอย่างนี้ก็แล้วกันคุณกลับไปอธิบายมาบักจะจากตรไห น, นก็ได้ก็ยกตัวอย่างในเมตตานะฮะยกตัวอย่างในเมตตาให้ก็ดูว่าสมมติเรามีเมตตาข้อนี่นะเมตตาเราเมตตาในคนนะฮะในสิ่งมีชีวิตเมื่อเราเมตตาแล้วเนี่ย ในโลกนี้มันมีคนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคนนั้นเองมันไม่มีอะไรเมื่อเราเมตตาคนเราก็ไม่ไปล่วงเกินคนแล้วญาติพี่น้องขอเราก็เมตตาตามไปนั้นเพื่อนของเพื่อนนั้นลูกของเพื่อนนั้นหลานของเพื่อนนั้นแม่ของเพื่อนเราก็รักต่อไปหมดเลยมันไปเองมันนะโดยธรรมชาติมันไปเองฮรที่หนังสือพิมพ์ลงข่าววันก่อนว่าพรังสองคนพี่น้องพลัดพรากกันไปจนอายุคนหนึ่งห้าสิบแปดคนหนึ่งห้าสิบเก้า ไม่เคยติดต่อไม่เคยรู้เรื่องเลยสามสิกว่าปีไปขับรถไปชนกันกลางถนนออกจากรถปัน้นกำหมัดมาเก่ง <c oughs> จะต่อ ย, ยจะต่อยไปต้องเจอมาเห็นหน้าวิ่งปอดกันเลยดีใจร้องไห้กันสองคน เ, เห็นฮะ <c oughs> นั่นคือลักษณะลักษณะของของใจเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดโทสะขึ้นมะาโทสะก็ขับเคลื่อนไปจนถึงจะต่อยแล้ว พอรู้จักปั๊บโอ้ยพี่กับน้องพอทักเรียกชื่อกันถูกนะไอคนหนึ่งก็เรียกเรียกชื่อนะเรียกชื่อกันถูกโอ้ยพี่กับน้องวิ่งก่อกันกลายเป็นธรรมะเลยโกดหายไปไหนหายไปแล้วมันหายไปต่างด่านแล้วเขบอกว่าเป็นการชนที่ที่ที่ประเสริฐที่สุดก็าบอกเป็นรถชนที่ประเสริฐที่สุดเหตุการณนี้เหตุการณ์พี่กับน้องมาเจอกันจ um oh. ิตมันเปลี่ยนไม่เองจิตมันเปลี่ยนไม่เอยามันก็เปลี่ยนไปหมดเลย เริ่มมาจากโกรธนะเริ่มมาจากโกรธแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกอดกันด้วยความรักแล้วก็ร้องไห้ต่อกันด้วยการลบการคลาดคลาดสูญเสียคิดถึงเรื่องเบื้องหลังปลายหายไปเลยนี่คือคือคื อ, คอภาพของธรรมะที่เขเกิดเพราะฉะนั้นพอเราพอเราเมตตาปลาจะมันจะเกิดธรรมะมันมันจะเหมือนกับไฟที่มันสว่างกินรอบชิดและสวีงวงกลมมันกินรอบชิดเมื่อเราเมตตาในคนเราจะเมตตาในคนที่เกี่ยวเนื่องกับคนคนนั้น คนก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักชักไม่ชอบหน้าด้วยเขาบอกนี่ลูกคนนั้นนึกออกโอหลานเนี่ยหลานเนี่ยใจเมตตากลับทันทีเลยทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักนะแต่เรารู้จักพ่อแมอ่พ่อแม่เนี่ยเป็นญาติกันเราก็เกิดเราเกิดรักทันทีนั้นธรรมชาติ เ, าเขาเป็นอย่างนั้นเองอยู่แล้วนะทีนี้พอ เราเกิดเมตตามาได้มันขยายในหมู่คนเราจะเมตตาไปตลอดเลยถ้ายังไอ้ศูนย์ยังไม่เสียนะจะเมตตาถายอยไปได้แล้วเราก็ไม่ร่วมเกินในทัพยินของเขาก็แสดงว่าเมตตาขาจัดโมหะได้ขจัดพยาบาทได้ขจัดโลภะได้ขจัดราคะได้ด้วยนะขจัดราคะได้ด้วยคนที่เราเมตตาเราสามารถให้ได้ ก็แสดงเมตตาขาจัดมัจฉริยะความตณีขจัดโลภะคนที่เราเมตตาเราไม่มีความรู้สึกในทางเพศก็แสดงเมตตาขาจัดราคะได้เห็นนะฮะมัน็จัดหมดนะเลยเมตตาเป็นทางความจุนโลกท่านวางไว้ข้อเดียวจะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องไปติดใจตัวเลขตัวเลขอย่าอย่าอย่าพูดมากมอย่าให้อย่าให้เขามากมาจะเกิดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเขา ที่พระเจ้ายกตัวอย่างต้นไม้เนี่ยดู ง, ง่ายนะเพราะเพราะว่าพเจ้าท่านเทศตำโกนไม้ส่วนใหญ่ชี้ต้นไม้ให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่ดูง่ายด้านแนวของพุทธศาสนาจึงจึงศึกจึงยอมรับทุกอย่างมามาจากเหตุแต่หมายความว่าเหตุเนี่ยเราสามารถสร้างได้เราสามารถไม่สร้างก็ได้เพราะว่าเหตุมันจะมีอยู่สองเหตุแล้วก็มีอยู่สองผลดานั้นเองโลก ทีทางดีทางเจริญทางเสื่อมทางทุกขุสุนนะขุสุอะไร่ะไรนี่บเรียงมันอย่างนั้นเองไงนะมันก็แล้วแต่พูดระดับไหนเราจะเห็นว่าเช่นบาปบุญนี่พูดถึงอาการทางจิตพูดกุศุนนุศุพูดถึงตัวสภาวะธรรมพูดเสื่อมเจริญพูดถึงผลพูดสุขทุกขพูดถึงผลพูดนรกสวรรค์พูดถึงผลที่มันทยอยกันมาเป็นผลไปเนี่ยทยอยกันผลตรงไหนล่ะก็แล้วแต่ผลคือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นผลและจะเป็นเหตุเป็นผลและเป็นเหตุเป็นผลและเป็นเหตุ เหมือกบาบเมล็ดพืชนี่มาจากต้นพืชแต่ว่ามเมล็ดพืชจะเป็นเหตุที้เกิดต้นพืชเมล็ดพืชมันก็เป็นผลของต้นพืชต้นหนึ่งแต่ในขนาดเดียวกันมันก็เสร็จแล้วมันก็ทําตัวเป็นเหตุเพื่อเกิดต้นพืชต้นอื่นต่ อ, ต อ, ตอไปก็เป็นปฏิกิริยาที่ต่อกันไปอย่างนี้แนวของพุทธศาสนาจึงเป็นแนวหลักที่หมายความว่าคนใช้ปัญญาพิจารณาโดยพื้นฐานเนี่ย สรุรวมรวมเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขพระเจ้าก็แสดงเหตุทั้งสองเหตุว่าความทุกข์ความสุขมันเป็นผลถ้าเธอไม่ต้องการทุกข์เธออย่าทําอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนอย่าทํานะพระเจ้าไม่ได้สั่งอะไรอะในศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีคําห้ามเลยแม้แต่คําเดียวเวลานี้เขาแปลศีลว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักท ร, รัพย์ส่วนมากในวงการศึกษาก็ชอบแปลอย่างนั้น เราเตือนเขาก็มาก็ก็เราเตือนเขาไม่หมดแล้วบอกว่าผู้เจ้าไม่ได้บอกห้ามนะผู้เจ้าไม่ไบอกว่าอยากฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์นะพผู้เจ้าไม่ได้บอกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ผู้เจ้ามีสิทธิ์ไปห้ามเขาหรอกศาสนาพุทธไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครนะฮะมีแต่บอกกล่าวเท่านั้นเองอะบอกกล่าวอะไรเป็นยังไงก็ว่าไปก็เท่านั้นส่วนคนจะเชื่อไม่เชื่อปฏิบัติหรือปฏิบัติเป็นเรื่องของกล่า เหมือนกับหมอให้ยาไปแล้วนะถ้าคนป่วยต้องการหายโรคก็รับประทานยาถ้าไม่ต้องการก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องกรรมไปคือรับผิดชอบในกฎของกรรมไปหลักเหล่านี้เป็นหลักที่สอนกันแพร่หลายแต่ได้โปรดเข้าใจว่าตรงนี้มันก็มีแค่สามข้อแต่ว่าในที่บางแห่งนาาเนี่ยขยายออกไปตั้งหกสิบสองข้อซึ่งยังไม่กล้าพูดนะหกสบสองข้อประคงกินเวลาเยอะ กินเวลาเยอะก็ใช้เวลาอาจจะถึงห้าวันถึงห้าสองก็เรียกว่ากินได้เดือนกว่าเลยเพราะมันยาวมากๆแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นคือมันไกลจากชีวิตเราเพราะว่าชีวิตชาวพุทธเรามไม่แกล้งขนาดนั้นนะไม่แกล้ ง, ง, นะมกงมาถึงหน้าหกสิบสองไม่แกล้งมาถึงหกสองอย่างมันก็ศึกษาในแนวปริญญาของความคิดของคนรุ่นก่อนว่าท่านคิดกันยังไงทําไมท่านคิดอย่างนั้น แต่เราก็ไม่ไ ม, ไม่มีสิทธิจะว่าอะไรท่านนะี่ยนะฮะแต่เราก็ระมองได้ว่าถ้าคิดอย่างนี้อย่างที่พู้เจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคิดว่าไม่มีเหตุก็แสดงว่าการฆ่าสัตว์รักษาพระพุทในการพูดเทศพูดคำหยาบเป็นต้นก็ไม่ไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดสุขสิและไอความทุกข์ความสุข ท, ท, ที่เราสัมผัสเราลองเชื่อดูมันมาจากอะไร เราก็จะเห็นม่ามาอย่างนี้มาจากการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจไอ้ทุจริตมาจากอะไรมาจากความคิดที่เป็นทุจริตความคิดที่เป็นทุจริตมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เราเรียกกิเลสกิเลสมาจากอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็นับๆไปถึงก็มาจากอาวิชชามาจากอวิชชาคือความไม่รู้การสอนในแนวต่างๆเป็นเรื่องของปริยายที่จะใช้อธิบายโดยนัยแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่าก็คือสองเหตุสอง สมงผลตามโครงสร้างของอริยสัจนั่นเองความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ว่าถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุคือตัณหาคือกิเลสความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องการถ้าต้องการจะให้เกิดก็ต้องไปสร้างขึ้นที่ธรรมะโดยอาศัยน้อมนาธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็แล้วแต่ข้อไหนก่อนน่ยนะะอย่างที่บอกแล้วว่าแล้วแต่ข้อไหนก่อนเพราะธรรมะทุกข้อทาหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกัน มีกิเลสขจัดโดยตรงและขจัดโดยอ้อมเหมือนกัญยานะเหมือนยาได้รับประทานกันไปมันให้ผลโดยตรงแล้วก็ให้ผลในข้างเคียงให้ผลโดยอ้อมไม่ใช่ว่าทำธรรมเฉพาะอย่างใด อ, อ, อย่างอย่างหนึ่งเท่านั้นเราวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาถึงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีได้ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านถือ